ทรงปรารบพวกภิกษุณีฉับพัคขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉับพัก ค, คีออกปากขอน้ําอ้อยมาฉันในปาติเทศนียสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสี่สมุดฐาน 拉